ท่านรองอธิการบดีถูกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายกิจการนิสิตและท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรพชิตกรูขอต้อนรับด้วยความยินดีต่อนิสิตใหม่ฝ่ายบรรพชิตชุกรุ๊ก ขอเจริญพรคณะผู้บริหารมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปเป็นต้นพร้อมทั้งคณอาจารย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายขราชการทุกท่านและขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนิสิตฝ่ายขราชการทุกคนเมื่อเข้ามา สู่ร่มเงาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชิทยาลัยก็มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นสำหรับผู้เข้าเรียนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราเรียกว่า turning point แทนที่จะไป ดำเนินชีวิตอย่างที่เคยดำเดนินแทนที่จะอยู่อย่างที่เคยอยู่เราก็เลี้ยวไปทางโน้นไปทางนี้ที่ผ่านมาเส้นทางมันวอกวนคดเคี้ยวไม่แน่นอนแต่ตอนนี้ชีวิตของท่านแน่นอน อย่างน้อยสี่ปีท่านต้องปักหลักเรียนปริญญาตรีอยู่ตรงนี้บางท่านก็ามาเรียนปริญญาโทอีกสองสามปีบางท่านต่อเนื่องไปถึงปริญญาเอกฝากชีวิตไว้บนเส้นทางตรงนี้เวลาที่ลงทุนไป รวมถึงทรัพยากรอื่นๆที่เราเอามาใช้ตรงนี้รวมถึงเงินทองทั้งหลายต้องใช้ให้คุม้มไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่มองเห็นเป็นเรื่องจับต้องได้ที่ต้องเอามาเป็นทุน ไม่ใช่เฉพาะค่าเทอมแต่ยังหมายถึงโอกาสลงทุนอย่างน้อยสี่ปีตรงนี้ด้วยโอกาสโอกาสที่จะไปทำอย่างอื่น กลับต้องเอาเมาอยู่ตรงนี้โอกาสที่จะไปเรียนที่อื่นกลับต้องมาเรียนตรงนี้โอกาสที่จะไปทำอย่างอื่นกลับต้องมาใช้ตรงนี้และถ้าเราเอาโอกาสนั้นมาลงทุน แต่เกิดล้มเหลวเช่นสอบตกรีทายเท่ากับเสียหายมากมายในชีวิตเท่ากับทำให้ชีวิตของเราควรที่จะไปได้ดีกว่านี้กลับต้องมาติดหลง ที่นี่เขามีอะไรดีๆให้เราได้เรียนได้ศึกษาได้พัฒนามากมายแต่เราไม่ร่วมกิจกรรมไม่พาตัวเองไปใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นๆเช่นนอนหลับทับสิษ์ให้มาดูให้มาเห็นให้มาร่วมให้มาฟังก็ไม่มา อย่างน้อยวันนี้คนที่ไม่มาเนี่ยเวลาที่เขาไม่มาเขาไปทำอะไรไม่มีมักมีผลอะไรเลยที่จะไปใช้แล้วเหตุการณ์อย่างวันนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมันปีละครั้งเราก็เสียโอกาสที่จะเรียนรู้ ที่จะพัฒนาตัวเองแต่ถ้าหากว่าเรามีความตระหนักว่าการลงทุนทั้งปวงที่เอามาตรงนี้เนี่ยมันคืออินพุตใส่เข้ามาตัวท่านก็ใส่เข้ามาในนี้มารวมมาลงทุน มหาวิทยาลัยก็ลงทุนเอามารวมกันอยู่ตรงนี้ห้องเรียนแทนที่จะไปใช้ย่างอื่นก็มาให้ท่านเรียนกันพัฒนาาหารก็มาให้ฉันทุกอย่างจ่ายจับจ่ายใช้สอยเป็นเงินมหาศาลเพื่ออะไร ระดมเข้าไปก็เพื่อพัฒนานิสิตทุกระดับแล้วปรากฏว่าท่านไม่ยอมให้เราพัฒนาไม่ร่วมมือนอกจากท่านทั้งหลายจะสูญเสียโอกาสแล้วมหาวิทยาลัยก็สูญเสียทรัพยากรไปโดยใช่เหตุ แทนที่จะรับรูปนี้มาเรียนให้มันจบจบกลับต้องมารับองนี้แล้วองนี้ก็ไม่เอาฐานไม่เรียนปิดกั้นโอกาสให้คนอื่นที่เขาจะมาเรียนซะอย่างนั้นอาจารย์สอนสลักเวลามาสอนตรงนี้แทนที่จะไปสอนคนอื่นที่อื่น แล้วถ้าท่านไม่เรียนไม่ใส่ใจมันก็ตัดโอกาสที่เขาจะไปสอนที่อื่นหรือให้คนอื่นได้ความรู้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีการลงทุนไม่มีการสูญเสียแต่การสูญเสียเป็นไปเพื่อการได้มา Our loss is our gain เราอินพุตเพื่อให้เกิดเอาพุตคือผลผลิตที่ผึ่งะสมเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพบัณฑิตที่มีคุณภาพเมื่อเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คืออุดมคติภาพที่ผึ่งะสงค์แล้วตอนนี้เนี่ยท่านอยู่ในความเป็นจริงเนี่ย ท่านห่างจากภาพบัณฑิตที่จะเรียนจบอีกสี่ปีสำหรับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตต่อไปเนี่ยแค่ไหนและถ้าจะให้สำเร็จตรงนั้นเนี่ยเป็นภาพที่พึงประสงค์เนี่ยท่านจะต้องทำอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่เขาพูดกันในการประถมนิเทศทั้งที่ตรงนี้ทั้งที่คณะ ที่ทำมาแล้วและจะทําต่อไปเพื่อบอกบอกผู้เรียนว่าเราประสงค์ให้ท่านเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะสลักพระพุทธรูปจากก้อนหินสักก้อนหนึ่งพวกท่านคือก้อนหินแล้วก็มีภาพพพุทธรูปที่เราอยากจะมาเป็นแบบในการแกะสลักตั้งให้ดูนี่ภาพอย่างนี้ แล้วมหาวิทยาลัยก็เอาภาพมาตั้งไว้แกะสลักหินก้อนนี้เสร็จจะเป็นพุทธรูปแบบนี้ช่างทั้งหลายคือครูบาจารย์เจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีหน้าที่ระดมกันแกะสลักให้ก้อนหินเนี่ยออกมาเป็นพระพุทธรูปสำหรับกราบไหว้บูชาคือบัณฑิตทั้งหลายคือเอาพุธคือผลผลิต กระบวนการในการแกะสลักมันคือโปรเซสอย่าแรงไปจนก้อนหินชำรุดหักไปพอดีพอดีแล้วเราก็มาตกลงกันว่าใครทำหน้าที่แกะสลักใครทำหน้าที่ทาสีทำอะไรว่ากันไปจนทั้งออกมาแล้วก็จะมีคนช่างติมาคอยดูใช้ได้ไหมดีไหม ประเมินคุณภาพบางทีพวกท่านทั้งหลายเองซึ่งเป็นลูกค้านี่แหละอยากจะได้พุทธรูปอีกแบบหนึง่งไม่ได้มาดูว่าไอ้ที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นแบบนี้ท่านเอาแบบนี้แต่เราเอาแบบนี้เรียนไปเรียนมาก็ไม่เห็นเหมือนอย่างที่เราคาดหวัง ไม่มันตกลงกันก่อนเดี๋ยวมันก็จะผิดหวังแล้วก็จะมาเสียเวลากันเปล่าการประกันคุณภาพก็คือทำยังไงจะทำก้อนหินเนี่ยให้มาเป็นพุทธรูปแบบนี้และไม่ใช่แบบนั้นฉะนั้นเวลาท่านจะเข้ามาเรียนท่านก็ต้องมาดูหลักสูตรมาดูวิชามาดูคณะรวมถึงดูรุ่นพีพ่ๆจบแล้วก็เป็นยังไง ครูบาอาจารย์เป็นยังไงก่อนท่านจะมาลงทุนมาอยู่ที่นี่กับเราไม่ใช่มาด้วยความคาดหวังพินพินเลยไม่ร่วมมือเพราะท่านอยากจะเป็นแบบนี้แต่เราจะให้ท่านเป็นแบบนั้นการมาปฐมนิเทศ ค, คือปรับทัศนคติให้มันตรงกัน ว่าเรากำลังจะแกะสลักท่านให้เป็นแบบนี้นะครูบาอาจารย์ก็มานั่งฟังอยู่เพื่อที่จะใช่จูนข้าหากันเราก็ทำอย่างนี้กันทุกปีแลกมาฟังกันต่อหน้าผู้มาเรียนเหมือนกับเป็นสัญญาประชาค ม, มว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะฝึกปลือฝึกฝนท่านให้เป็นอะไรหลักสูตรจะต้องมีอะไรบ้างและท่านจะประสบความสำเร็จตามนั้นท่านจะต้องทำอะไรก็จะขอประมวลเรื่องเหล่านี้ในกรอบเวลาเท่าที่อานวยประกาศแรกสุดสำหรับท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่า มหาจุลานั้นมีลักษณะเฉพาะตามปณิธานของราชการที่ห้าผู้สถาปนาเปลี่ยนนามมหาธาตวิทยาลัยเป็นมหาจุลาลงก่อนราชวิไลในปีสองนสีรสาเกพระองค์ได้ ประกาศว่าการเปิดการศึกษาของมหาเจราลองารและวิาลนั้นหรือตั้งขึ้นมานั้นให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงอันนี้คือคำของพระองค์เห็นแค่นี้มันก็รู้แล้วว่าต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น อุดมศึกษามหาวิลาลยไหนก็มีเรียกว่าวิชาชั้นสูงแต่พระไตรปิฎกคือคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนาของทุกนิกายรวมแต่เน้นเทรวาส ก, ก่อนในสมัยนั้นจะต้องเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกและาศาสตร์ทั้งหลายในอุดมศึกษา มหาวิเลยของครืัขันจะไม่มีคำคว่าพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นใครที่บ่ายหน้าเข้ามาที่นี่รู้แล้วอย่างน้อยถึงเป็นขครดัน ก, ก็ต้องรู้ว่าฉันต้องเรียนพระไตรปิฎกและจะเข้ามาแล้วบอกไม่อยากเรียนบาลีไม่อยากเรียนพระไตรปิฎกไม่ได้และก็จะต้องเรียนวิชาชั้นสูงพระบอกว่าจะเรียนแต่พระไตรปิฎกไม่เรียนภาษาอังกฤษ ไม่เรียนศาสตร์ต่างๆก็ไม่ได้เพราะวิชาชั้นสูงคือศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาท่านก็ต้องเตรียมตัวเองมาเขาวัดประเมินและประบอทําไมภาษาอังกฤษมันอ่อนบอกชั้นรเรียนสูงนะไม่ได้เพราะภาษาอังกฤษมันเป็นเครื่องมือสําหรับเรียนวิชาชั้นสูงคืออุดมศึกษาท่านจะต้องมีเครื่องมือ จะเรียนเก่ ง, นงเนี่ยท่น า, จานจะต้องมีเครื่องมืออย่ากเก่งในมหาจุลาสําหรับคารืหัดจะต้องมีเครื่องมือแล้วเอาเครื่องมือให้มันคมกริบเลยรับมันเขาให้ไปตัดไม้ท่านมีเครื่องมืออะไรมีขวานเอามีดทื่อมาไม่ได้กินหรอกท่านต้องขวาน ตัดต้นกล้วยในระดับประถมนะ่ะมีธรรมดามันได้แต่ในระดับโอโดุดมศึกษามันต้องขวานและขวานสองประเภทประเภทหนึ่งเกี่ยวกับต้นไม้แห่งพระไตรปิฎกท่านจะต้องมาถาก ม, มาถางอีกต้นหนึ่งเป็นต้นไม้แห่งาศาสตร์สมัยใหม่ พระไตรวิดกใครก็รู้ต้องใช้ภาษาบาลีอย่างน้อยต้องมีความรู้ภาษาบาลีเป็นพื้นฐานและเตรียมใจมาเลยต้องเรียนส่วนวิชาชั้นสูงเปิดไปใน Google เปิดไปในอินเทอร์เน็ตมันมีเป็นภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ 90% อยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย และไอ้ที่แปลมาเป็นภาษาไทยมันคนอื่นก็เอามาศึกษามารู้เท่าเราซ้ำกันอาจารย์มาสอนเปิดแต่ภาษาไทยพูดไปนิสิตก็อ่านเป็นแต่ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศไม่ว่าอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมันองค์หรือภาษาจีนความรู้มันขยายท่านต้องเตรียมขวานรับขวาน อดีตปรานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาชื่ออัปราฮามลินคอนได้พูดไว้ว่าถ้าให้เวลาแก่ข้าพเจ้าในการตัดต้นไม้หกชั่วโมงข้าพเจ้าจะใช้เวลารับขวานสี่ชั่วโมงอีกสองชั่วโมงตัด ใช้เวลาในการลับขวานถึงสี่ชั่วโมงตัดสองชั่วโมงมันก็ต้นไม้มันก็ขาดเพราะขวานมันคมเรียนพระพุทธศาสนาถ้าภาษาบาลีท่านดีพระไตรปิดกท่านดีแป๊บเดียวก็เข้าใจ เรียนศาส์สมัยใหม่ถ้าภาษาอังกฤษท่านดีแป๊บเดียวก็เข้าใจมันอยู่ที่การรับขวานคือเครื่องมือภาษาดังนั้นในปีสองพันห้าใ้อยห้าสิบเมื่อสิบปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจึงกำหนดเป็นปรัชญาของมอจรอว่า ใครมาที่นี่เราจัดการศึกษาพุทธศานาให้อยู่บนฐานเหนตุวจัยปีดกโดยบูรณาการกับาศาสตร์ในอุดมศึกษ า, าศาสตร์สมัยใหม่คณะแม้แต่คณะพุทธาศาสตร์ก็บูรณาการคาุศาสตร์ก็บูรณาการทั้งนั้นาศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมมหาจุาเขาจัดเพื่อพัฒนาจิตใจผู้เรียนพัฒนาสังคมท่านทั้งหลายเรียนไปเพื่อพัฒนาตัวเองและไปพัฒนาสังคมและมันก็จะมีวิชาที่พัฒนาตนเนี่ยทั้งโดยตรงโดยอ้อมให้ท่านเข้าร่วมฝึกอบรม พัฒนาจิตใจมันเลี่ยงกรรมฐานไม่ได้และถ้าท่านไประลักตื่นๆในการปฏิบัติกรรมฐานเสียโอกาส <ๆ S 1> เสียเวลาของท่านเองและตัวท่านเองก็มันจะได้จำไม่ได้ประโยชน์จากวิชาที่เราจะพัฒนาท่านในด้านจิตใจและผลก็คือเสียเวลาเสียโอกาสทั้งคู่ทั้งมหาวิทยาลัยและตัวท่าน มีกิจกรรมเพื่อจิตอาสาใดๆก็ตามฝึกปฏิบัติปฏิบัติาศาสนกกิจก็ไปร่วมทำอย่างเต็มฝีมือร้องให้มันสุดคำรำให้มันสุดแขนแผ่ให้มันสุดปีกท่านก็ได้รับการพัฒนาโดยหลักแล้วมหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรเนี่ยเพื่อการพัฒนาท่านเนี่ยสี่ด้าน ตามหลักองค์การยูเนสโกเรียกว่าโฟร l พิลลาซอบเอเจคชั่จัตุสดมแห่งการศึกษาที่ยูเนสโกได้ทาวิจัยทั่วโลกก่อนปีคศ .2000 แล้วประกาศมาในช่วงปี2000เนี่ยสิบกับยี่เกือบยี่สิบปีมาแล้วว่าการศึกษาสมัยนี้เนี่ยมันต้องพบสี่เสา มหาจุลาก็ต้องจัดให้ท่านสี่เรื่องแล้วถ้าท่านมาบอกฉันไม่เอาละสาวที่สี่สาวที่สามฉันจะเอาสาวที่สองท่านก็ได้รับการพัฒนาไม่ครบด้านก็มาดูกันว่าสี่ด้านที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างเหมือนประชาเหมือนสัญญาประชาคมแล้วก็มาดูว่าเราท่านมหาวิทยาลัยเขาจัดให้ครบไหม แล้วท่านรับทบไหมตกลงกันก่อนมันจะได้ออกมาเป็นพรหมูอนเหมือนๆกันเวลาแกะสลักสี่ด้านคืออะไรหนึ่ง learning to know เข้ามาที่มหาจุฬามาเรียนในวิชาที่เรายังไม่รู้และอยากรู้หรืออยากรู้ เกิดความรู้เพิ่มเติม learning to know สอง learning to do เกิดทักษะอยากทำอะไรไม่มีใครฝึกให้เรามาฝึกฝนที่นี่และเขาก็เขียนใน คอสเดสคริปชันแนวสังเขปหลายวิชาว่าเขาจะฝึกท่านอย่างนั้นอย่างนี้เรามาเลือกวิชาเอกนี้เช่นภาษาอังกฤษวิชาภาษาตะวันตกมาเรียนในคณะมนุษยศาสตร์เพื่อ Learning to do ผู้พูดภาษาอังกฤษได้ทักษะเรียนปรัชญาได้ทักษะในการคิดคิดเป็น เขาจะบอกไว้ทักษะอะไรมค อ, อเรียนจบเรื่องนี้ท่านทำอะไรได้มีความรู้กี่เปอร์เซนต์ทักษะกี่เปอร์เซนต์เจตค ต, ติคุณธรรมจริยธรรมกี่เปอร์เซนต์วิชาชีพเอาไปประกอบอาชีพมีนิติศาสตร์ใช้การได้ไหม ในด้านวิชาชีพเป็นต้น learning to live together ในสมัยนี้เท่านั้นที่จะต้องเรียนมากกว่าศตวรรษที่แล้วเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันทำไมจึงมาเน้นเสาที่สามมากสมัยก่อนไม่มีปัญหา เพราะอคติความเกลียดชังความระแวงด้าน้านเชื้อชาติศาสนาเนี่ยสมัยนี้มันแพร่หลายเร็วมากผ่านสื่อออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กอยากจะให้ใครเกลียดใครทะเลาะใครดูถูกใครมันกดคลิกเดียว และคลิกเดียวนี่แหละทำให้คนทะเลาะการตีการวางระเบิดขับรถบรรทุกชนคนในยุโรปไม่เคยมีไปที่ไหนก็จะต้องระแวงว่าจะเกิดภัยอันตรายจากความเกลียดชังกันและเราตายเป็นวิกติมเป็นเหยื่อ ของความเปลี่ยนชังโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยบังเอิญไปอยู่ตรงนั้นสมัยก่อนมันไม่มีเพราะศตวรรษที่แล้วมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตที่ทรงพลังขนาดนี้มันไม่มีสื่อดาวเทียมที่ไปได้ทั่วโลกอย่างนี้มันไม่มีการถ่ายภาพการตัดคอกันออกทีวี ออนไลน์ <Online. S 2> เพราะฉะนั้นเด็กทุกวันนี้มันจะถูกปลูกฝังด้วยยาพิษแห่งอคติเกรียดชัำกันโดยไม่ต้องรู้จักกันและเมื่อทุกคนเมื่อแต่ละคนเนี่ยถูกปลูกฝังด้วยอคติอย่างนี้เนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติดได้อย่างไรท่านมาจากต่างประเทศเป็นพันรูป พกเอาอาคติกันมาอัดฉีดใส่กันเขา่าแล้วมาอยู่ร่วมกันในหอพักเนี่ยนะถ้ามหาวิเลยไม่จัดการจัดการศึกษาที่ดีวงแตกอย่าว่าแต่พระไทยด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นในหลักสูตรมันจึงจะต้องมีเนื้อหากิจกรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติซึ่งจะมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้าศาสนาของเพื่อนและที่ของเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านหรือทั่วโลกเนี่ยให้เกิดความยอมรับน้ำถือกันไม่ดูถูกกันและสอง สแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างทำกิจกรรมร่วมกันเวลาทำกิจกรรมร่วมกันสแสวงจุดร่วมกคือโปรเจกต์นี้เราทำเพื่ออะไรไปอบรมเยาวชนผ้ารุร้อนพบความคิดทฤษฎีกันคนละอย่างสองอย่างแต่เป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาเยาวชนผ้าดุร้อนเรามีจุดร่วมด้วยกัน อะไรที่มันแตกต่างกันอย่าเอามาเป็นประเด็นมาทะเลาะกันประดีประนอมในขณะที่ทํากิจกรรมก็จะเคารพความคิดของกันและกันมีกิจกรรมนิสิตมาจากแต่ละภาคมาร่วมกันทําไม่มีบอกว่าใครโง่ใครฉลาดทุกคนมันเก่งในคนละด้านสองด้านเอามาเสริมกัน ไปสู่เป้าหมายเดียวกันไม่ใช่อยู่ร่วมกับไม่ใช่มาเรียนอ่านหนังสือพร้อมกันแต่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในหอพักเขาให้มีกิจกรรมอะไรทำเถือ ท, ท่านทำวันสวดมนต์เราก็ได้เห็นหน้ากันได้รู้จักกันได้ปรรบได้คุยกันไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างอยู่ เขาออกแบบมาเพื่อให้ทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สแสวงจุดร่วบสมุนจุดต่างลงมือทําร่วมกันทำํำถึงไม่งั้นจะเอาเวลาที่ไหนมารู้จักกันนะท่านไอ้คนหนึ่งทําตรงนี้ไอ้คนหนึ่งไปอยู่ตรงโน้นไม่มีทางมหาวิทยาลัยเขาออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ท่านได้ร่วมกันเพื่อเรียนรู้ ไปปฏิบัติกรรมาฐานด้วยกันมันไม่ใช่แค่ไปเข้าค่ายบังคับอยู่ตรงนั้นมีโอกาสที่จะศึกษาสังเกตครูบาอาจารย์เพื่อนบรรดาชนรู้จักตัวเองรู้จักอารมณ์คนอื่น Emotional Intelligence ชลาดในอารมณ์เราปฏิบัติแล้วเครียดเราแก้ยังไงแก้เองไม่ได้ให้อาจารย์วิปัสนาอาจารย์แก้แล้วเพื่อนเราล่ะเครียดทุกเรารู้บา้าหรือเปล่า ฉลาดในอารมณ์ของเพื่อนไหมจะพูดยังไงที่จะให้เขาผ่อนคลายไหมหรือจะไปเพิ่มสัมเสริมกันถ้าท่านไม่มีความฉลาดในอารมณ์ของผู้อื่นท่านก็อยู่ร่วมกับมนุษย์ไม่ได้ learning to live together เขาก็ออกแบบให้ท่านทำเรียนเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ learning to be เราไม่ได้ผลิตท่านไปเป็นเครื่องจับในโรงงานเราไม่ได้ผลิตท่านไปเป็นทรัพยากรสร้างมูลค่าให้กับที่ไหนท่านเป็นมนุษย์ท่านมีศักดิ์ศรีมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมหาวิลัยนี้จะต้องสอนให้ท่านมีความเคารพในตนเองเคารพในผู้อื่น หาความหมายของชีวิตเกิดมาทำไมมีโปรเจกต์อันหนึ่งในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นฮา r v ว r ร์ด u ตีดออฟอาด d ้ e เดเวล็อปเเกิดขึ้นในปี2481ศึกษานักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในปีนั้นตามดูตั้งแต่กำลังเรียนจนเรียนจบจนกระทั่งตายมาปัจจุบันนี้79ปีแล้วไปศึกษาชีวิตของคนที่ไม่ได้มีโอกาสเรียนในมหาวิทยาลัยในเมืองบอสตันด้วยจำนวนมากกว่าด้วยตามดูตลอดชีวิต ผ่านมาจนบัดนี้เนี่ยตายไปหลายคนเยอะเลยเหลือที่เหลืออยู่ก็อายุเกินเก้าสิบและยังศึกษากลุ่มอื่นด้วยโปรเจก์นี้เป็นโปรเจกที่ศึกษาเรื่องมนุษย์ยาวนานที่สุดเดี๋ยวนี้ใช้งบกลางของรัฐบาลสหรัฐเป็นงานวิจัยที่ยาวนานทุกสองปีต้องไปสัมภาษณ์ต้องไปตรวจทุกขภาพของ สิ่งผู้ที่เราศึกษาต้องดูครอบครัวทุกสองปีจนบัดนี้เปลี่ยนพออดเรกเตอร์ไปสี่คนที่สี่และปัจจุบันผลที่เขาค้นพบคืออะไรเหมือนกับท่านมหาจุราาจะศึกษาบ้างเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเออหนึ่งในนักศึกษาในปีนั้นของฮาร์วาร์ด หนึ่งคนได้เป็นประธานาธิบดีเลยของสหรัฐชื่อจอร์นเอฟเคนเนดีเขาดูหมดหนึ่งพ้นอันหนึ่งหรือคำถามสำคัญเนี่ยสำหรับคนหนุ่ม เด็กหนุ่มที่เรียนในมหาวิทยาลัยว่าชีวิตต้องการอะไรโตรไปนี่ท่านอยากเป็นอะไรและเมื่อได้เป็นเมื่อได้เช่นอยากได้มีอนานาจมีตำแหน่งการเมืองมียศมีสักมีเงินมีทองมีบริวารหวังไว้ฝันไว้เขาก็ตามดูทุกสองปีนี่พอได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วสรุปว่าตกลงชีวิตต้องการอะไร 80สิบปีที่เขาศึกษามานี่ผพ้นออกมาอย่างนี้ครับเหมือนกันลองถามพวกเราทีเนี้ยเข้ามามาหาจุาวันนี้ท่านฝันอยากจะเป็นอะไรและเมื่อสำเร็จออกไปไปอยู่ในชีวิตจริงไปอยู่ในโลกจริงๆริงสี่สิบห้าสิบปีขนาดมันเหมือนกับที่ฝันใหม่ๆเขาเนื่อว่าได้เงินมันจะทำให้มีความสุข ได้ยศได้อำนาจได้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีความสุขแต่พอผ่านมาผ่านมาคนที่อยู่แล้วอายุยืนเพราะมีความสุขเลยคือคนที่อายุยืนเนี่ยลิฟ e ์เเนี่ยเป็นคนที่ลิฟท Happier มีความสุขกว่ากลุ่มอื่น ไม่ใช่เพราะยีนนะเขาบอกแล้วไม่ใช่เพราะยีนทำให้อายุยืนแต่ความสุขต่างหากอะไรล้ะที่ทำให้มีความสุขเขาสรุปมาอยู่คำเดียวครับ Good Relationship ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ให้ความสุขหาไปเถอดท่าน ในที่สุดถ้าไม่มีกลาลยนานมิตรไม่ใช่ปริมาณนะคุณภาพนะอาจจะไม่ต้องมีมากแต่มีคนที่สามารถที่จะระบายความทุกข์ความเหงาความอะไรตา่างเป็นคนที่พึ่งพาในยามทุกยาก a friend in need is อ f r เ e n d in น e e d เพื่อนแท้คือเพื่อนที่ช่วยกันในยามยากท่านอาจจะมีคลาสเรีไม่กี่คนแต่ช่วยกันทำโน้ต ท, ทำโปรเจกต์ทำโครงการไว้วางใจกันได้อะไรได้เนี่ยมันเป็นความ มันเป็นพลังนั้นก l a t i o n ชั่นชิพกาลยานมิตเนี่ยมันต้านทานในยามทุกข์เครียดเพราะอาจารย์สั่งงานเยอะระบายกับพวกนี้หรือให้เขามาช่วยช่วยดีใจเราในยามที่เราสุขสอบได้คะแนนดีมีเพื่อนสักคนมาดีใจกับเราบุญแล้วมันไม่ใช่มาอิจฉาเรา friendship doubles your happiness and divide your grief into half. Francis Bacon เขาบอกมิตรภาพเพิ่มความสุขเป็นเท่าตัวลดความเศร้าเหลือครึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า สักระละเมวะหีทางานันทะพลังมจริยงกาลยานามิตรตา่างความมีกาลยานามิตรนี่แหละเป็นเนื้อตัวทั้งหมดของพรังประจัก์ที่พระเจ้าตรัสไว้สองพันรกว่าปีมันตรงกับงานวิจัยนี่แหละ learning to live together ถ้าท่านประสบความสาเร็จในการเรียนตรงนี้ท่านจะมีความสุขไปตลอดชีวิตมีทักษะชีวิตตรงนี้สําคัญที่สุดข้อที่สามสำคัญกว่าข้ออื่นตามงานวิจัยอของที่ว่าและตามที่ว่าพรหมจันทร์นั้นมีไกรณมิตรเป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดถ้าท่านได้ครูบาอาจารย์เป็นไกรณมิตรได้คณะบดีเป็นไกรณมิตรครูบาอาจารย์เป็นไกรณมิตรแนะนำเราดีดีเราก็มีความสุขในการเรียนนะ ได้คลาสเรียนได้เพื่อนร่วมเรียนที่ดีถ้าก็มีความสุขตั้งแต่ขณะเรียนลองไปเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกที่อาจารย์ที่ปรึกษามไม่ใช่ไกลนามิตรแล้วจะรู้สึกจบก็บุญแล้วฉะนั้นสิ่งที่วางเป็นกรอบไว้นี้เนี่ย มันอยู่ในหลักสูตรในกิจกรรมพัฒนาท่านทั้งหลายพาตัวเองเข้าไปรับการพัฒนาในสี่ด้านการจัดการศึกษาบางท่านอาจาะไม่ถนัดเรื่องภาษาภาษาอังกฤษมันก็เป็นใค่ได้ ภาษาบาลีก็ไม่ไหวแต่ต้องผ่านเกณฑ์ ม, มาตรฐานมหาจุฬามีหลักสูตรมากมายให้ท่านเลือกนอกจากวิชาการศึกษาทั่วไปวิชาแกนที่บังคับแล้วท่านเลือกสิว่าท่านมีความถนัดทางไหน Learning to do เนี่ยต่อไปท่านจะเอาดีทางไหนจะเป็นอาจารย์สอน เรียนครูจะเรียนภาษาเรียนจิตวิทยาเรียนกฎหมายเรียนสังคมศาสตร์นศาสสตร์ปกครองหรือเรียนปรัช ญ, ญาเรียนพุทธศาสนาอยู่ที่ว่าท่านเนี่ยมีจุดเด่นด้านไหนรู้จักตัวเองไหมว่ามีปัญญามีความถ น, นัดด้านใด คนที่มีความเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองถนัดในสิ่งที่ตัวเองมีพรสวรรค์เนี่ยจะเรียนได้ง่ายไม่มีพรสวรรค์ในเรื่องในเรื่องอะไรเรื่องมองมตาเราเนี่ยแล้วก็มือท่านอย่าไปเรียนวาดภาพพุทธสิทธ์แค่มองก็ยังมองไม่ออกเลยไอสิ่งที่เราจะวาดเนี่ยแล้วมือมันก็ยังไม่ไม่เชื่อฟังเรา ไม่ถนัดเขาแบ่งประเภทของคนเนี่ยมีความถนัดไม่เท่ากันเก่งันคนละด้านเพราะฉะนั้นจะเรียนอะไรก็ตามดู n t e l l i g e n ซ์ดูพื้นฐานทางปัญญาของตัวเองด้วยถ้าท่านฉลาดในเรื่องการคิดการคำนวณ ทำด้านวิจัยทำอะไรต่างๆเหมาะเอาดีทางนี้เรียนวิทยาศาสตร์ถ้าถนัดทางภาษาเลขไม่ถนัดเราก็เรียนด้านภาษาและอย่าไปมักน้อยถ้าเก่งภาษาบาลีนะ รับรองภาษาอังกฤษท่านจะต้องเก่งด้วยถ้าภาษาบาลีจํากัดมันก็แปลกนะภาษาอังกฤษก็จํากัดเพราะอะไรทนะ่ภาษาตระกูลเดียวกันภาษาอังกฤษกับภาษาบาลีเนี่ยมันเป็นภาษามีวิพัตน์ปัจจัยอินโดยุโรเปียนถ้าเรารักวิชาหนึ่งเก่งวิชาหนึ่ง มันจะเก่งอีกวิชาหนึ่งด้วยแต่ถ้าเราเกลียดภาษาบาลีเบื่อภาษาบาลีมันจะเบื่อภาษาอังกฤษด้วยเตือนไว้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีใจรักในภาษาบาลีถ้าท่านจบมหาปริญมาและท่านจะรักภาษาอังกฤษเ ย, ยมันจะไปด้วยกันคนจีน มาอยู่ประเทศไทยแป๊บเดียวพูดภาษาไทยได้คนไทยไปเรียนไต้หวันไปเรียนจีนไปได้ดีแต่ให้ไปเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้เรื่องเพราะอะไรเพราะภาษาจีนกับภาษาไทยมันตะปูลเดียวกันภาษาไทยภาษาจีนภาษาลาวภาษาญี่ปุ่นภาษาเขมรเนี่ยนมันเป็นภาษาคําโดด ฉะนั้นเมื่อเรียนตรงนี้มันก็จะเชี่ยวชาญไปหลากหลายแล้วแต่ว่าเราดูว่าเราถนัดด้านภาษาหรือไม่บางคนฉลาดในดนตรีเขาแยกเสียงออกหมดคนที่จะเล่นดนตรีมันจะต้องฟังเสียงเครื่องมือแต่และอย่างแต่และชิ้นเนี่ยได้อย่างพอดี แยกออกเพราะฉะนั้นคนที่ไปฝึกเทศมหาชาติเนี่ยนะมันไม่ใชแ่แค่เสียงดีอย่างเดียวหูเขาด้วยเขาจะแยกออกคนเป็นอย่างไรฉลาดในด้านเทสต์ spatial intelligence คนในสมัยคนบางคนนี่ขับรถยังไงมันก็หลง ไปที่ใหม่ยังไงมันก็หลงมันไม่มีความรู้สึกด้านเทษะงงทิศตื่นขึ้นมาไม่รู้อยู่ตรงไหนทิศเหนือทิศใต้เป็นไกด์ไม่ได้นะพาคณะออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกพางไปไหนขับรถก็ไม่เคยไปถูกแต่คนที่ฉลาดในด้านเทสะนี่เรียนสถาปัตย์ใช่วิศวะใช่ไห ม, ไหมออกแบบนี่ เขาจะชำนาญแต่ให้พูดภาษาอังกฤษอาจจะไม่เอาเรียนคณะนี้เขาก็ไม่เอาเขาถนัดคณะ น, นี้บางคนเรียนบาลีไม่ได้เรื่องเรียนภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เรื่องแต่เล่นกีฬาเก่งนักเรียนข้างนอกเเด็กพระบิดาพระนางนนสามารถศึกษาศึกไปไปเล่นกีฬาบวชเร น, นอยู่ไม่ได้เรื่องได้ลาวเลยศึกหาลาเพศไปได้เป็นนักมวยแชมป์โลกอะ ดีนะที่มันสึกไตนะแมก็มันต่อยเจ้าวาดแน่เลยยวูวัโผเป็นแชมเปี้ยนโลกเป็นพวกทีห้ามันจึงมีไงที่ได้เหรียญทองไงนะเวลาเรียนก็ออกงังงันไงนะแต่วิ่งโอ้โหเปตองเหรอโอ้ทำงานอื่นก็งงันเน่ยเขามี ความฉลาดตรงนี้ความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์หลายรูปหลายคนประสานงานเก่งเป็นหัวหน้าชั้นทากิจกรรมออกไปก็ไปเป็นพระสังฆาธิการเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะมีความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์ บางรูไปไม่พูดไปจานั่งกรรมฐ า, านอย่างเดียวเป็นหรอปัทศนาจารย์เราไปปฏิบัตเิเห็นเขาปฏิบัติไปได้ดีเหลือเกินเป็นกลุ่มที่เจ็ด i ท t เ a อร์ s o นอลมองด้านไหนมหาจุลามีให้ท่านเอาดีเหล่านี้เนี่ยในเจ็ดด้า น, นมีครบท่านเลือกดูว่าตัวเองถนัดทางไหนค้นให้พบ และถ้าเห็นแววนนะเราก็ส่งเสริมเลยครูบาอาจารย์ส่งเสริมเราก็จะได้คนเก่งๆที่เป็นช้างเผือกในแต่ละด้านออกมาสรุปแล้วก็จะเป็นภาพถังนี้ Multiple i n t e l l ล g e n จิฉลาดในเจ็ดเรื่องที่ว่ามาแต่ในทางพระศาสนาท่านแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม รูปปักประมาณิกาเห็นภาพอย่างเช่นพวกมองเทศะสถานที่เรียนเก็บอะไรที่แสดงด้วยภาพมีภาพประกอบขึ้นจอจำแนพวกโคสปประมาณิกาต้องฟังเรียนภาษาจะดีเขาฝังดนตรีอย่างเงี้ยถนัดทางนี้ รู้ับประมาณิกาในเรื่องของการใช้ชีวิตที่เคร่งเขากระชอบและธรรมะประมาณิกาชอบคิดชอบเรียนในเรื่องตักกรศาสตร์เรื่องธรรมะเรื่องเส้นวิเคราะห์วิจัยเป็นอย่างนี้เราก็มาดูว่าเราถนัดทางไหนและอาจารย์ให้เราร่วงกิจกรรมแบบไหนทำในสิ่งที่ทำให้เราเรียนได้เร็ว ทุกคนมันจะมีจุดที่ช่วยให้เราเรียนได้ดีในมหาจุฬาเขาจะมีกิจกรรมชมรมมากมายเลือกชมรมที่พัฒนาทักษะที่มันถูกกับจริตของเราอ่ะเราเป็นรูปปัประมาณิกาโคสปรรรรประมาณิการูขมหรือธรรมะประมาณิกาเราเป็นมีอินเทอล์เนชัแบบไหนหรือเป็นมัลติโพคือมีหลายอย่าง คนบางคนนี่เก่งหลายอย่างนะก็อย่าไปเ้าเรียกพวกจีเนียสพวกจีเนียสที่เราจะไปกดเขาต้องส่งเสริมหมายถึงพวกที่มีอินเทลเลจินหลายด้านเ้าเรียกจีเนียสอินเทลเลจิหลายด้านอย่างเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็เก่งศิลปะก็เก่ง เราจะไปบอกว่าเอาแต่ด้านเดียวไม่ได้เราไปกดเขาถ้าเขาเก่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาศาสตร์อะไรต่างให้เขาเรียนให้หมดเพราะสมองเขาพอมหาวิทยาลัยต้องให้โอกาสเรียนเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเป็นอัจฉริยะที่เป็นตัวอย่างของโลกคนหนึ่ง คนที่วาดภาพโบนาลิซาเนี่ยนะยิ้มของโบนาลิซาเนี่ยภาพวาดเขาดีมากติดตามพวกเราทั่วโลกแต่เขาเป็นนักออกแบบเครื่องร่อนเครื่องบินนี่นะนักเขาเรียกว่าเทคโนโลยีสเก็ตเครื่องบินอะไรอะไรต่างเครื่องร่อนเก่งมากเขาเป็นทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ วาดภาพนี้เป็นวิทยาศาสตร์ยังไงอนาโตมีเขาจะไปดูมือคนเนี่ยของกิงเป็นยังไงวาดตามนั้นเลยเขาไม่ได้จินตนาการเป็นพวกเรลิสในหลวงราชการที่9้าในตัวอย่างของพวกอัจฉริยะเรียนวิทยาศาสตร์มาปอดที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วอยู่ๆได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน กลับไปเรียนสายศิลป์สายสังคมเพื่อเอามาปกครองเรียนวิชารัฐศาสตร์แต่พื้นฐานก็ชอบอวิทยาศาสตร์พอมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินผสมทั้งสองอย่างเท่าด้วยกันเป็นเอกองค์เอก อ, อัครศิลปินทั้งในเรื่องของดนตรีในเรื่องภาพถ่าย แม้กระทั่งเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาพระราชนิพนธ์เรื่องมหาชาดกเนี่ยเป็นตัวอย่างสนพระไทยเรื่องศาสนาด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การหันน้ํำชยัยพัฒนาที่จดสิทธิบัตรและกระดึนมากมา่ฝนหลวมรวมเอาหลายอย่างไว้ด้วยกัน เพราะฉะนั้นคนเราต้องค้นพบตัวเองว่าถนัดเชี่ยวชาญอะไรเรียนอะไรได้หลายได้ก็เรียนไปเถอะแล้วออกมาใช้เครื่องมือในการเรียนที่มหาจุฬาคือภาษาถ้าท่านบังเอิญว่าเป็นค น, คนที่มี Linguistic i n เ e l l i g e n ียนเรียนมันให้ครบ ภาษาบาลีท่านก็ต้องเรียนมาอยู่ในประเทศไทยถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ต้องเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษและก็มีคอมพิวเตอร์ literacy ใช้คอมพิวเตอร์เซิร์ชได้ทำงานได้และตอนนี้มันยุคอาเซียนท่านก็เรียนภาษาอาเซียนเข้าไปด้วยอยากจะพัฒนาภาษาไม่ยากในมหาจุฬา เด็กหลายคนเข้ามาเพื่ออยากเป็นอาสาสมัครงานวิสาขะบูชาโลกซื้อรายงานต่างๆจังหวัดนี่ที่เรารับคารวะเขาเรียนเยอะนะค า, ารวะบางแห่งได้เรียนครึ่งตกครึ่งอยากร่วมกิจกรรมนานาชาติอาจารย์ทั้งหลายให้โอกาสเขาด้วยบอกในต่างจังหวัดเวลามีงานานานาชาติให้เขาได้มารู้มาเห็นมาเป็นอาสาสมัครและพวกเราอยู่ที่นี่อย่านอนหลับทักษิณเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาภาษาให้โอกาสเราไปไประชุมที่ n e เนสแคมพูดกันอะไรยังไงหรือแม้กระทั่งไปต่างประเทศปีนี้เราไปลงังกานี่ไปอธิกรารบาดีไปเล็กเชอร์ที่ยูเนสโกมาดามูโคว่าเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกไปพูดกันเรื่องวิสาขาดในเรื่องพรินาในองค์การยูเนสโก เรื่องภาษาเครื่องมือในการเรียนมีสองอย่างหนึ่งภาษาสองจิตใจจิตใจเป็นเครื่องมืออย่างไรภาษาเข้าใจแล้วเนะี่ยจิตใจเนี่ยเป็นเครื่องมือคนที่มีจิตใจดีเรียนเก่งความจำดีคนที่จิตใจไม่ดีเรียนไม่เก่งสอบตก ใครอยู่มหาจรารู้ดีและต้องพัฒนาเครื่องมือในการเรียนในด้านจิตใจเนี่ยถ้าเราไปอยู่ข้างนอกอาจจะสู้เรียนที่นี่ไม่ได้คือสมาธิสมาธิเพราะไม่มีสิ่งยั่วสิ่งเราดึงให้จิตเนี่ยมันวอกแวก อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยสงเ่มันไม่มีเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นที่ออกไปนอกกำแพงนี่มันจะมีคลับมีบาร์มีแหล่งเลิงลมบันเทิงแม้จะบอกให้อยู่ไกลๆมันก็เอามาไว้ข้างหน้ามหาวิทยาลัยใจแตกเสียคนเยอะแยะหมดพ่อแม่ส่งเงินมาถลุงหมดใจมันไม่รักการเรียน ไม่มีใครพูดถึงคุณค่าของการศึกษาหรอกแต่มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยเราเห็นความสำคัญของเครื่องมือข้างในท่านเจ้าคุณท่านเจ้าพระคุณสเม็ทธระพุทธโสาจารย์ปอปยุตโตเนี่ยจบแค่ปริญญาตรีเราเนี่กับประโยคเก้า ทำงานระดับโลกงานวิจัยงานตหลับตําลาทำไมสติปัญญาท่านเลิศขนาดนั้นเครื่องมือข้างไหน c o น t e ม p l a t i ั n นสมาธิ Meditation เนี่ยมันทำให้สว่างโพรงอ่านอะไรก็เข้าใจเบื่อก็อ่านอย่างมีความสุข คนเรียนเก่งไม่ใช่ว่าจะชอบทุกวิชานะท่านแต่พอมีสมาธิวิชาไหนมันก็น่าเรียนไปหมดพอมีจิตมันนิ่งมันเป็นสมาธิวิชาไหนมันก็ให้ความเพลิดเพลินได้หมดผมเรียนภาษาบาลีเนี่ยบางเพื่อนเพื่อนผมสังเกตเนะเรียนมหาจุฬาแล้วตกก็เป็นรในระนาดเบื่อ แต่ผมนี่ชอบผมเรียนสมัยที่ผมเรียนมีความสุขแต่งฉามยิ่งพลูนใหญ่เลยแต่งบาลีนี่ไปไหนก็เห็นเป็นภาษาบาลีหมดแล้วเวลาผมมาเรียนมหาจุฬามันก็ไม่ได้ตีกันเลไปด้วยกันอยู่ที่ใจ วิชาต่างๆในมหาจุลามันไม่ได้ตีกันต่อให้ลงหลายหน่วยกิจหลายวิชามันมันเสริมกันหมดเก่งตรงนี้มันไปทําให้เก่งตรงนั้นเพิ่มไปแต่พออ่อนตรงนั้นมันกระดึกลงมาหมดเพราะเราไม่ชอบท่านมีฉันทะท่านมีความอดทน ม, มีความชอบในวิชาไหมมีสมาธิไหมเพราะฉะนั้นที่เขาให้ฝึกเนี่ย จิตภาวนาเนี่ยท่านยาศักด์แต่ว่าไปนั่งให้มันครบๆไปฝึกเพื่อสร้างพลังจิตเรียนเก่งขึ้นมีสติมีสมาธิสติคืออยู่กับปัจจุบันทำไมเราไม่ชอบวิชาไหนแล้วเราจึงอ่อนในวิชานั้นรู้ไหมเพราะเราปิดเครื่องรับ เราปิดเครื่องรับเพราะคิดว่ามันไม่ได้อะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกไม่ทำให้เราดีขึ้นไม่ทำให้เราฉลาดขึ้นเพราะฉะั้ไม่ต้องฟังเมื่อฟังก็ไม่ได้ยินมองก็ไม่เห็นคือไม่อยู่กับปัจจุบันคือไม่มีสติสติมันทำให้มองก็เห็นฟังให้ได้ยินอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้อะไรเกิดขึ้นกับเราอะไรอยู่ภายในเรารู้หมด อาจารย์พูดอะไรตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนชั่วโมงสุดท้ายฟังได้ยินหมดสติพอมันจะมีสติปุ๊บเนี่ยท่านไม่พลาดอะไรเลยแล้วจะไม่เรียนเก่งได้อย่างไรท่านหลวงพ่อพุทธฐานิโยอยู่ที่โคราชจัดอบรมกรรมฐานแกเด็กมัธยมปลาย ในภาคการศึกษาในเคการศึกษาที่ใกล้ๆโคราชทุกจังหวัดผมอยากรู้ว่าท่านทำอะไรผมก็ไปเขาให้เป็นวิทยากรตอนนั้นยังเป็นรองอธิการบดีก็เราไปช่วยพูดสักครั้งสองครั้งแล้วไปสัมภาษณ์หลวงพ่อพุธหลวงพ่อเอาเด็กมาอบรมทุกสัปดาห์เลยเสาร์อาทิตย์เนี่ยประสงค์อะไรเด็กมันจะได้เรียนเก่งขึ้นท่านจะคุณ ผมเห็นกับตัวผมเองมาแล้วเรียนเก่งเพราะสมาธิเพราะสติผลสำเร็จในการเรียนสูงขึ้นทันทีอย่างมีนัยยะนะทางสติตีอหลวงพ่อพุทธไม่ต้องไปทำสติตที่ไหนเลยเอานักเรียนเนี่ยมาฝึกกรรมาฐาน ถามท่านว่าทำไมก็บอกว่าตอนที่ท่านมามวดท่านอยู่ในสำนักกรรมฐานหน้าหน้าหลังวัดเรียนกรรมฐานหน้าวัดเรียนบาลีในวัดเดียวกันแล้วเขามักจะตั้งเป็นกฎเรียนกรรมฐานไม่ต้องมาเรียนบาลีเรียนบาลีไม่ต้องไปยุ่งกับกรรมฐานแต่พระใหม่ชื่อพระพุทธเนี่ยเรียน บาลีด้วยนั่งกรรมาฐานด้วยนักธรรมด้วยเรียนหมดเดินไปเดินมาสองสองเขตพระผู้ใหญ่ก็เลยเรียกไปตไวีว่าพุทธจะเอาอะไรก็เอาสักอย่างจะนั่งกรรมาฐานก็ น, นั่งจะเรียนบาลีก็เรียนเอาสักอย่าง ปรากฏว่าหลวงพ่อพุทธแย้งในใจพระต่นนั้นเป็นพระใหม่บวชไม่นานผมจะเอาสองอย่างกรรมฐานผมก็จะนั่งบาลีก็จะเรียนทำไมจะไม่ได้ท่านก็ไปนั่งกรรมฐานออกจากกรรมฐานก็ไปเรียนบาลีมีสติไม่วอกแวกนั่งแถวหน้าเลยเพ่งอาจารย์ไม่ให้วอกแวก มีสมาธิโดยบอกว่าไงจ้องอาจารย์อาจารย์โดนจ้องก็อึดอัดพุทธทำไมมานั่งเพ่งผมจ้องผมคืออย่างนี้ครับอาจารย์ผมต้องการอาจารย์เป็นอารมณ์กรรมฐานครับเลยเพ่งอาจารย์หัวเรา ะ, ะเพ่งให้ผมเป็นผุยผงเลยนะจริงนั่งแถวหน้าเพื่อไม่ให้มันวกแวกมีสมาธิ อ, อาจารย์ผู้ใดได้เห็นพอใกล้ๆจะสอบฝันเห็นไก่บินปุ๊ไปเกาะตีปีกขันไปเล่าให้อาจารย์ที่สอนประจำชั้นฟังอาจารย์บอกบอกแน่ประโยคไก่ปลกปีกเก่งเลยประโยคแปลเนี่ยก็เก่งเลยเป็นประโยคเก่ง ไปบอกเพื่อนประโยุนเก่งเนยเพื่อนถามรู้ได้ไงฝันเพื่อนบอกแลแต่มีคนเชื่อเยไอ้พวกเชื่อสอบได้เพราะว่ามันออกตรงนั้นจริงจริตัวท่านก็เป็นมหาด้วยท่านบอกว่าเนี่ยกรมาฐานเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนผลสมริดสูงท่านก็อบรมตลอดจนท่านบรณภาพหลวงพ่อพุธ เพราะฉะนั้นผมยังอยากเห็นกิจกรรมในการพัฒนาจิตใจเนี่ยมันมีผลในเชิงที่ว่านั้นจริงๆเพราะส่วนตัวเนี่ยมันทำอย่างนั้นจริงๆก็พูดมาหลายครั้งนะทีนี้อยากจะเอาศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายท่านฝักทำไมเราจึงไม่สามารถจะ ใส่ใจมีสติกับที่อาจารย์สอนได้เพราะใจเราเหมือนลิงมรรคตะจิตโตอ่ะจิตเหมือนลิงมันโดดไปโดดมาห่วงนูน่นห่วงนี่ไม่เคยอยู่นิ่งเขาเรียกใจลอยอยู่ที่นี่เนี่ยใจลอยไปที่อื่นโดยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่ท่านรู้ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ย ที่เข้าห้องเรียนอาจารย์นี่นะอาจารย์เขาบรรยายเราบรรยายกันเนี่ยนิสิตรับไปกินกินอันทีรู้ไหมพูดปากเปลี่ยนปากแชะนี่ที่เราบอกว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยคือมันไม่ได้ถึงจิตเนี่ยเยอะัหมมีงานวิจัยออกมาแล้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคีลิกเวิร์สกับคิวเบิร์ มีผลวิจัยออกมาเมื่อสองสงปีเขาถามคนทั่วไปประมาณแสนกว่าคนผ่านอินเทอร์เนต็ตบ้างสัมภาษณ์บ้างว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนหลับใจลอยกี่ครั้งให้จดในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยใจลอยคือไม่มีสติอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าเนี่ย กำลังฟังอยู่คนนี้แต่ไปคิดถึงคนโน้นกำลังงานทำงานนี้แต่ไปทึ่ถึงงานโน้นห่วงโน้นห่วงนี่เนี่ยตอบมาตรงๆเลยว่ามันบ่อยไหมแค่ไหนแล้วห น, หนึ่งชั่วโมงได้เกิดึ้นกี่ครั้งผลออกมานะครับน่าตกใจมากโดยเฉลี่ยคนใจลอยไม่อยู่กับเรื่องที่เราเรียนเนี่ยสี่สิบเจ็ดซนของเวลาที่ตื่นถ้าชอบเรื่องไหนอาจจะเปอร์เซ็นต์ที่อยู่กับเรื่องนั้นมากขึ้น แต่ถ้าไม่ชอบวิชาที่เราไม่ชอบเนี่ยมากกว่า47อเ์าจจะถึง60ซไปนั่งให้มันเต็มเ็มห้องมองก็ไม่เห็นฟังก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงจะต้องมีเทคนิคไงทายัางไงให้พวกสมาธิสั้นทั้งหลายเนี่ยมันจะเรียนรู้เรื่องทำไงที่จะดึงความสนใจให้มันเกิน เฉลี่ย 47% สรุปแล้วท่านลงทุนมาเรียนมหาจุฬาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงที่มานั่งอยู่นี่ถ้าว่าท่านหนึ่งชั่วโมงคือ60นาที60นาทีนะใจลอยไป25นาทีถ้าใจลอยไป25นาทีเนี่ยเราพลาดความรู้ไปเท่าไหร่ และถ้ามหาจุลาสามารถทำให้ในิ้อเสีโดยเฉลี่ยใจลอยได้แค่สักสิบห้านาทียี่สิบนาทีผลสมดิษ์เพิ่มขึ้นมหาศาลทำอย่างไรถามพวกเราและตัวผู้เรียนไม่ต้องไปรอให้ทำอย่างไรทำเองท่านฝึกสติฝึก ส, สมาธิแล้วจะเรียนเก่งขึ้นทันทีผมเองเนี่ยมาเรียนมหาจุลา ช่วงบ่ายเช้าไปเรียนบาลีขณะที่มาเรียนมหาจุฬ า, าทั้งหมดเนี่ยหกชั่วโมงเหนื่อยแสนเหนื่อยนะจากบาลีสองสามชั่วโมงตอนเช้ามหาจุฬ า, าอีกห้ากชั่วโมงสมัยนั้นสองร้อยหน่วกิตแต่พบว่าผมเรียนเข้าใจมากกว่าพวกเพื่อนๆอีกเพื่อนๆไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ใช่ผมสมองดีนะบางคนสมองดีเหมือนกันนี่แหละ แต่เพื่อนประมาทยังไงมันก็ได้เรียนไม่เรียนไม่รู้เรื่องก็ไปหาเพื่อนไปติวไปอะไรต่างแต่ผมมีความสำนึกตัวเองกับผมไม่มีเวลาเหมือนเขาผมจะต้องสอบาบรีให้ได้ประโยคนเก้าแล้วจะต้องเรียนมาหาจุฬาให้มันจบเอาเวลาที่ไหนไปสำเริงสารานไปเที่ยวไม่มี เอาเวลาที่ไหนไปนั่งใจลอยในห้องเรียนไม่มีมันต้องนั่งฟังให้รู้เรื่องเพื่อประหยัดเวลาเอาไปใช้ในการเรียนบาลีเรียนด้วยสานึกอย่างนี้มันจึงบางพังได้เอทุกวิชาเลยท่านจบด้วยเกียรตินิยมลำหนึง่งได้ประโยคนกล้าเป็นเอเนใช้ใช้สติสมาธิเนี่ยเต็มร้อย เพราะต่างหักว่าเราไม่มีเวลาแค่นี้แหละไม่มีเวลาแม้แต่จะชยเดินไปเดินมาอาจารย์สอนอะไรฟังหมดแล้วกลายเป็นว่าพอเราฟังหมดต้องติวเพื่อนอีกนะ่ะโดยปลูกฝังอย่างนี้ต่างหากโดยสำนึกที่มันเกิดมีวินัยในตนเองเพราะตรางหักว่าเราไม่มีเวลา มองอีกแก่นหนึ่งเวลาของเรามีค่ามากเกินกว่าจะมาสุรุ่งสุ้ายและมันก็เป็นดิสซิพบีน์มันเป็นวินัยในตัวเองที่ทำให้ทำงานก็อย่างนั้นมีเวลามากที่ไหนท่านมาพูดกับผู้ท่านเพราะตาแหน่งอื่นมันก็รออยู่ให้เราทำงานมันมีกี่งาน ผมพูดในภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอะไรต่า ง, า ง, างๆเยอะแยะหมดเอาเวลาที่ไหนเมื่อเช้าก็ไปพูดที่สารอุทธรเป็นวิทยากรให้เขาและพูดเรื่องอะไรลูกให้ดูต่อเนี่ยพูดมาเมื่อเช้าเนี่ยเรื่องที่กำลังพูดนี่แหละแต่อีกประเด็นหนึ่งทำไมคนเราจึงเสียเวลา กับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะทำแต่ว่ามันมีใครมากระตุ้นหน่อยเราก็ไปกับเขาละแฮกันไปละไม่ได้รู้เลยว่ามันมีประโยชน์มีโทษมีอะไรต่างทําทำไมมันจึงห้ามใจไม่ได้เป็นนิสิตมีหน้าที่เรียนมัวแต่ไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้จะสอบอยู่แล้ว เอาเวลาไปทิ้งไปคว้างมากมายห้ามใจไม่ได้ไปเที่ยวก่อนสอบไปนู่นไปนี่เพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งเราบัากระตุ้นเราแล้วทำไมเราเราห้ามใจไม่ได้มันเกิดเร็วมากกำลังจะมาเรียนอยู่ดีไปเห็นของ หรืออะไรสนุกข้างทางแวะลงไปเลยลืมมาถึงมหาวิทยาลัายไม่มาละกำลังที่จะไปชวนเพื่อนมาเรียนหนังสืออ้าวเขาชวนบอกไปไปดูหนังกันก่อนเอาไปแล้วสำหราาับคารวสไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะไปดูหนังแต่เขาชวนแล้วเรื่องที่เราชอบมันก็ไปละทำไมใจง่ายมาด่าตัวเองทีหลัง เพราะว่ากระบวนการเกิดความคิดจนกระทั่งเราทำเนี่ยมันเร็วมากเหมือนกับเวลาที่เขาด่าเราเนี่ยปุ๊บขึ้นมาทำไมเราโกรธทันทีเราด่ากตับทันทีห้ามไม่อยู่ใจร้อนเถียงอาจารย์รู้ว่าเถียงมันก็ตกอยู่นั่นแหละไอ้วิชานี้เยอาจารย์ที่ปรึกษาน่เถียงอาจารย์ที่ปรึกษาน่ให้แก่ก็ไม่แก้ฉลาดตกอยู่นั่นแหละ เงียบมันสิแต่มันเงียบไม่ทันมาตั้งสติได้ตอนตกไปแล้วกินไข่ไปแล้วก็เพราะว่าเพราะมันเกิดความคิดว่าเราจะเถียงเนี่ยนะหรือพูดไม่เป็นเรื่องเนี่ยไอ้ที่ว่าอยู่ด้วยกันคนอื่นเนี่ยเราจะสงบปากสงบคำได้บ้างไหมให้มันเกิดความสามัคคีกันทําไมมันโ p r งอยู่เรื่อยดา่ากันอยู่เรื่อยทะเลาะกันอยู่เรื่อยเพราะเพราะเพราะว่าเวลามันโ p r งขึ้นมาเนี่ย จนกระทั่งด่านี่นะมันใช้เวลากี่วินาทีสรุปแล้วสติมันไม่มามันห้ามไม่ทันไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์การกรองไม่ทันยั้งคิดไม่ทันเพราะมันเกิดเร็วมากเร็วมากยังไงโดยงานวิจัยของนายบิ น, บนจิมินลิเบตเนี่ยเมื่อประมาณเกือบสามสิบปีอะเดี๋ยวนี้เข้ามาพูดกันทั่วไปประชุมวิสาหการโลกเขาก็พูด แต่ไม่มีใครไปฟังมีอธิการมาดีไปนั่งฟังเนี่ยแล้วมาพูดให้ฟังเนี่ยมันเกิดเร็วยังไงเขาทดลองอย่างนี้ท่านเอาคนมานั่งทดลองเนียเกิดที่ในอเมริกาเขาทดลองนี้ให้กดนิ้วเนี่ยที่สวิตช์ไฟให้ไฟมันเปิดเลยกดแต่เขาจะแทบสมองคนที่เขาทดลองเนี่ย ด้วยเครื่อง EEG นะตรวจสอบความเคลื่อนไหวในสมองผลเป็นอย่างนี้เอาสรุปงานวิจัยกันแล้วกันกว่านิ้วจะกดเนี่ยท่านกดสวนะิตช์ไฟมันจะต้องมีการสั่งการมาจากสมองไม่งั้นประสาทเนี่ยมันทำไม่ได้ถ้าสมองพิการเนี่ยเอามาพลึกอะมาพายหมดเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของนิ้วเนี่ยมันมาจากสมองและใครที่สมองซีกซ้ายพิการ ซีกขวาเป็นอวมภาพาสมองซีกขวาพิการซีกซ้ายเป็นอวมภาพาพิการหมดสมองเสียหมดเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะฉะนั้นแน่นอนมันเชื่อมกันกดปุ๊บอยากกดเมื่อไหร่กดเลยเนี่ยแล้วเขาจะดูว่าเป็นยังไงในสมองตอนที่ท่านกดออกมาเป็นอย่างนี้ครับกว่านิ้วเราจะกดแต่ละครั้งเนี่ย จุดสัญญาณวาบ ม, มันจะเห็นเลยเครื่องอีจีมันจะเกิดในสมองก่อนกว่าจุดวาบในสมองมาถึงมือเนี่ยใช้เวลา30สบเอ่อหนครึ่งวินาทีครึ่งวินาทีครึ่งวินาทีเขวัอยังไงปกติหนึ่งนาทีมันมี60วินาที 60วินาทีเนี่ยรวมเป็น1นาทีไอ้ตัว1นาทีเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งเป็น60สิบไอเอเ อ, เ อ, เอ้นักกีฬาวิ่ง100เมตรเนี่ยนะมันเข้าเส้นชัยเนี่ยมันเสี้ยววินาทีเขามีนาฬิกาพิเศษแบ่งวินาทีเป็น 1,000 ส่วนเรียกว่ามิลลิเซกันมิลลิเซกันเอามาจากคำว่ามิลลิเมตร หมายถึงแบ่งเมตรออกเป็นหนึ่งพันส่วนหนึ่งเศษหนึ่งส่วนพันของเมตรเรียกว่ามิลลิเมตรเศษหนึ่งส่วนพันของวินาทีเรียกว่ามิลิเซกันเรียกสับบัญญัติของราชบัณฑิตเรียกว่ามิลิวินาทีเอานาฬิกามิลิวินาทีเนี่ยวัดว่าตั้งแต่สมองสั่งให้กดเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่แบ่งออกไปเป็นอย่างนี้ครับ อาภาพนี้ก็แล้วกันสา0ร้อมิลิวินาทีสมองสั่ง300รอนะแบ่งวินาทีเป็นหนึ่งพันส่วนสามร้อส่วนของวินาทีมันเกิดสัญญาณว่าในสมองมาสั่งให้กดนิ้วช่วงนี้มนุษย์ที่ทดลองไม่รู้ตัวท่านสมองมันทำงาน ไม่รู้ตัวหรอกสมองทำงานโดยไม่รู้ตัวและมารู้ตัวตอนไหนผ่านไป3 0มวิมิลิผ่านไปส0ม อ, อมิลิวินาทีเริ่มรู้ตัว c อ n ชีสการสํานึกตัวเกิดขึ้นในช่วงนี้ไปจนถึงกดนิ้วเนี่ยใช้เวลาอีก200มิลิวินาทีสรุปนะครับ ตั้งแต่สมองสั่งไปจนกฎเนี่ยใช้เวลาครึ่งห้าร้อยมิลิวินาทีหนึ่งพันคือวินาทีถ้า500อเท่ากับครึ่งวินาทีครึ่งวินาทีนะครับที่สมองสั่งไปจนกฎแต่ว่า300รอแรกเนี่ยไม่รู้ตัวมันเป็นพวังฆาจลนะพะวังผู้ปัจเจกะพวผประโยคก้าจะรู้ เสร็จแล้วปัญจทวาราวัชนะจนถึงชวนะเนี่ยลงมือทำกรรมเนี่ยมันใช้เวลา200มิลลิวินาทีเขาสรุปว่าอย่างนี้ครับถ้าเราจะห้ามตัวเองไม่ให้ทำอะไรมันมีเวลาแค่200มิลลิวินาทีสั้นมากเสี้ยวของวินาทีนั่นแหละมันห้ามไม่ทัน เมื่อห้ไม่ทันเนี่ยเรานึกจะด่าก็ดา่านึกจะพูดก็พูดนึกจะทำอะไรก็ทำต้องใช้หลักนี้ครับเจตนาหังพิก เ, เวกัมมังวัฏฐามิพิกสูทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมไอ้ตัวสองร้อมิลิวินาทีเนี่ยคือเจตนานี่ใตัวนี้ช่วงเนี้ยที่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นเจตนาเลยจากนี้ไปมันเป็นมโนกกรรมครับ กกมโดกล่ำแล้วกลายเป็นกายกรรมกลายเป็นวจีกรรมเวลาท่านจะด่าใครเนี่ยนะ300้มิลลิวินาทีถ้าไม่รู้ตัวพอรู้ตัวมันก็มีแค่เวลาแค่200มิลลิวินาทีครึ่งครึ่งวินาทีหมดไปแล้วด่าไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าท่านด่าเพราะอยากด่าเนี่ยเก็บความอยากด่าไว้ในใจไม่ด่าทัานที ถ้าด่าทันทีมันก็ตั้งแต่สมองสั่งจนด่าเนี่ยใช้เวลาครึ่งวินาทีแต่ถ้าท่านไม่ด่าท่านเก็บความโกรธไว้ในใจเป็นมโนกรรมแช่งมันอยู่นั่นแหละกี่นะั้นกี่วินาทีก็ช่างมันตอนนั้นท่านมีเวลาเซนเซอร์ทบทวนอยากจะด่าก็ด่าแล้วมันไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะต่อยเรานะเราตัวเล็กกว่านะเราทบทวนอยู่อย่างนี้ในที่สุดก็ไม่ด่า เพราะฉะนั้นกรรมมันก็ถูกเซนเซอร์ด้วยสติสติมันจึงเซนเ ซ, นเซอร์มโนกรรมไม่ให้คนบางคนนี่มันเบื่อวิชาที่ท่านเรียนใช่ไหยเบื่อนี่มันไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้บทที่ไหนแต่มันเบื่อนะ่ะท่านสอนตัวเองด้วยโยนิโสมนสิการเปลี่ยนมโนกรรมให้เป็นบวกหาความงามในวิชาที่เรียนให้เกิดฉันทะให้ได้ เมื่อเกิดฉันทางในวิชาที่เรียนเนี่ยมันจะเกิดสมาธิเรียกว่าฉันทังสมาธิเหมือนภาพยนตร์เรื่องไหนที่เราชอบเราจะดูอยู่นั่นมีความสุขบางคนดูสุริโยไทยเป็นสิบครั้งตลอดกฉายใหม่ๆมาเล่าให้ฟังแต่อันไหนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ดูอีกแต่จำเป็นต้องเรียนต้องผ่านท่านฝึกใจให้มันชอบฝึกในมโนกรรมนั้นด้วยโยนิโสมนัสิกาทคิดบวก ผลก็คือว่าจีกรรมก็ออกมาดีมโนกรรมก็ออกมาดีเขาจึงเรียกว่าสติมาปัญญาเกิดสติตลเลิ่มันเกิดปัญหาเรียนไม่จบนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีระบบอีกอันหนึ่งที่เรียกกันว่า Positive p s y ค h o l ล g y นะทำไมจะต้องรักษาโรคจิตอย่างเดียวไซคโลจี้ทำไมพัฒนาฝ่ายบวกไม่ได้ไม่ต้องเป็นโรคจิตก็ใช้ไซคโลจี้ได้ เขาเรียกว่า The Flow ท่านถ้าท่านชอบเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยให้มันมีสมาธิในเรื่องนั้นเนี่ยท่านจะมีฉันท่าสมาธิแล้วก็ใส่ใจอยากเรียนในเรื่องนั้นต่อไปมีมากมายมีตัวอย่างมากมายและมหาจุฬาได้จัดระบบให้ท่านที่จะทำ ประโยชน์แก่สังคมขอพูดถึงนิสิตของเราชอบในเรื่องของการให้บริการเกิดสึนามิที่ภาคใต้มาเกิดวันที่ยี่สิบหกธันวาคมวันที่สามสิบไปแล้วขอลงไปภาคใต้นิสิตที่เรียนพุทธจิตวิทยาไปช่วย ชาวบ้านที่ประสบภัยสึนามิที่บ้านน้ำเค็มจับบงหวัดทางานถามหัวหน้าคณนะบอกว่าคุณจะไปอยู่ไปฉันยังไงอย่าไปรบกวนชาวบ้านนะ <c oughs> ก็บอกเขา <c oughs> แล้วเราจะไปเยี่ยมไปช่วยอธิการบดีก็พากณนะไปดูไปเยี่ยมนิสิต ท, ที่มีน้ำใจอันงามไปช่วยคนที่ประสบภัย สึนามิเขาไปเองแนละ้วไม่ได้สั่งเลยมาลาพอไปจึงได้เห็นว่าภัยของสึนามิเนี่ยมันน่ากลัวมากมันกวาดป่าไปหมดเลยชาวริม ป, ป่าเนี่ยต้นไม้ก็ไม่เหลือนิสิตเราไปช่วยปลอบขวัญปลอบใจชาวบ้านที่สูญเสียศพที่ลงไปอยู่ในเนี้ยงมขึ้นมา แล้วก็ไปช่วยสวดช่วยอะไรให้เขาชาวบ้านไม่มีสตังเลยยักอุตสาลี่อะไรกันมาในห้าพันถวายพระพระบอกเอาเป็นทุนอาหารกลางวันเด็กกำลงังใจอยู่ช่วยสอนเด็กที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีอะไรเลยอยู่กันเป็นเดือนอธิการบดีก็ต้องไปเยี่ยมพาคณะไปไปเยี่ยมหมอคอนทิพด้วยนี่คือชีวิตจริง ต้นมะม่วงที่เห็นเนี่ยสึนามิมาท่วมหมดเลยวันที่ไปมันตายชาวบ้านบอกดูทีท่านตอนสึนามิมาคนโดนน้ําพัดมามาเกาะต้นมะม่วงลอดตายเป็นสิบคนแต่มะม่วงมันตายเลยมันเป็นมะม่วงโพธิสัมภะสละชีวิตเลย เรือชนบ้านเรืออยู่ในน้ำบ้านอยู่บนบกมันมาชนกันไม่เคยเห็นที่ไหนก็อธิการบดีก็ไปเห็นให้ถ่ายภาพไว้บ้านไม่พังด้วยเอามาแตะกันเฉยๆเจอเจ้าของบ้านก็ถามคุณไปอยู่ที่ไหนตอนเกิดสนามิ บอกผมไปธุระข้างนอกกลับมาเรือมันชนบ้านผมเรือใครละ่ะเรือผมเองล่ะครับคิดดูสิท่านมันกลับบ้านถูกบ้านเป็นร้อยหลังมันไม่ไปบ้านอื่นมันกลับมาบ้านผมเขาเลยแปะป้ายเอาไว้นอยากเคลื่อนย้ายจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ย มีเด็กคนนี้เด็กฝรัง่งคนอังกฤษพอครบหนึ่งปีรัฐบาลไทยส่งตัวคือบินไปให้เธอกับพ่อแม่ของเธอบินมาประเทศไทยเพื่อจัดงานครบหนึ่งปีซินามิเด็กคนนี้ชื่อทิวลี่สมิธขึ้นไปอ่านคำไว้อะไรได้รับเกียรติจากรัฐบาลไทยมากทำไมก็เพราะวันที่ เกิดสึนามิทิวลีตอนนั้นอายุสิเ็ขวบไปพักที่โรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตที่หาดใบขาวจังหวัดภูเก็ตไปพักที่นั่นสิบโมงก็ลงมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่และก็น้องสาวอายุเจ็ดขวบเดินมาจะไปชายหาด พอใกล้ชายหายทิวรี่ส ก, กิดแม่แม่แม่เซนามิกกำลังจะมาแม่สะดุ้งเลยพูดอะไรจะมาได้ยังไงก็แม่ดูสิคลื่นมันเป็นฟองฟอดตอนนั้นยังไม่ใช่คลื่นยักษ์ไง เหมือนฟองเบียร์แตกฟองเหมือนพ่อรินเบียร์มาเนี่ยฟองมันแตกเหมือนฟองเบียร์เนี่ยแสดงว่าคลื่นยักษ์กำลังจะมาเธอรู้จากไหนรู้จากโรงเรียนก่อนมาเนี่ยครูให้ทำรายงานไปเสเนอหน้าชันเอาภาพสุนามิจากฮาวายบ้างอะไรบ้างมาดูกันยังติดตาเลยไหม แม่ทำหน้าเบ้ยักษ์ไหลไม่เชื่อลูกเดินไปชายหาดทิวลี่กันเลยบอกแม่ถ้าคลื่นยักษ์มานะตายหมดนะแม่มันสูงท่วมต้นมะพร้าวนี่ท่วมต้นมะนา ว, น, ว, น, าาวน้องสาวอายุเจ็ดขวบพอได้ยินเท่านั้นร้องไห้จ้าสะบัดมือจากพ่อวิ่งกลับ กลัวคลื่นยักษ์ร้องไห้ไปที่วิ่งกลับที่โรงแรมที่สูงพ่อก็เลยวิ่งตามลูกคนเล็กทิวลี่วิ่งตามพ่อแม่จะอยู่ทําไมก็วิ่งตามกันมาสี่คนคนเล็กร้องไห้พนัก ง, งานคนไทยก็แปลกใจทําไมเด็กฝรั่งก็วิ่งขึ้นมาก็เลยมาถามเขาพ่อเขาก็บอกว่าลูกสาวบอกคลื่นยักษ์กำลังจะมาดูสิฟองฟอดเลยในทะเล พนักงานคนไทยก็ดีเหลือเกินนไม่เคยเห็นทะเลมอย่างนี้ก็เลยเป่านกหวีดเลียกนักท่องเที่ยวทุกคนกลับขึ้นมาพอขึ้นมาถึงขบวนคลื่นมาพอดีทนลอดตายเป็นร้อยคนเพราะทิวรียสมิธเนี่ยกลับไปที่ยุโรปที่อังกฤษเขาก็เลยยกย่อง นิตยส า, ารฝรั่งเศสยกย่องให้ทิวลี่เป็นชายอ f t เ e ีย a r ยอดเด็กแห่งปีสมาคมดาวเคราะห์น้อยตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยที่ค้นพบในปีนั้นตามชื่อของทิวลี่ยูเนสโกเอาเรื่องของเธอได้ไปเผยแพร่ทั่วโลกเพราะผู้สื่อข่าวรายงานรายงานทำไมเพราะเวลาทิวลี่ขึ้นไปพูดบนเวที ตอนรับรางวัลเนี่ยคนชมเธอว่าเก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้ทิวรีต่ตอบว่าอย่างไง <_ D> เด็กอายุเิบขวบ <_ D> เขาบอกว่าอย่าชมหนูคนเดียวว่าเก่งถ้าไม่ได้คุณครูไม่เป็นอย่างนี้หรอกคุณครูของหนูต่างหากที่สอนเก่งผู้สื่อข่าวเลยมาสัมภาษณ์ว่าสอนเก่งยังไงเก่ง <_ D> จริงจริงทีวรีว่า ถ้าสอนไม่เก่งนะป่านนี้นะหนูตายแล้วครอบครัวหนูก็ตายหมดแล้วโดยเฉพาะคุณแม่นะ่ะตายก่อนเพื่อนอยู่ในสโก้ก็ไปเผยแพร่เหตุเกิดที่ประเทศไทยแล้วเขาเป็นสภาษณ์ครูชื่อแอนดรูเคนนี่ว่าเกิดอะไรขึ้นครูบอกว่าผมสอนผม เอาของจริงเป็นภาพมาให้เด็กดูขึ้นจอเลยสึนามิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เห็นและบอกกับเด็กด้วยว่าภัยของสึนามิคืออะไรเธอจะต้องปฏิบัติอย่างไรเวลาเจอสึนามิไม่ใช่สอนแค่รู้แต่สอนโน้ทาวด้วยให้อปฏิบัติด้วยภาคปฏิบัติ Learning to do ไม่ใช่ learning to know แค่เรียนให้รู้ว่าอะไรคือสนามมิ้ไม่พอ To know ไม่พอต้อง to ดูเจอสนามิเธอจะต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นจะบอกเด็กเลยให้วิ่งขึ้นที่สูงเด็กมาถึงไม่บอกพ่อแม่ไงจะวิ่งขึ้นที่สูงแนละแล้วก็ผลออกมาก็คือเอาไปอยู่ไปใช้ชีวิตจริง l ิมต t o g e ก h e r อร์ช่วยพ่อช่วยแม่ได้ มีความสุขแอนดรูวเคนี่บอกว่านี่คือผลแห่งการศึกษาจึงถือว่าพลังอำนาจแห่งการศึกษาที่เราจัดเนี่ยเมื่อมีสติมีสมาธิมีเครื่องมือมีภาษาเรียนเพื่อรู้อย่างเดียวไม่พอท่านต้อง learning to do เอาไปใช้ด้วยไปปฏิบัติได้ด้วย และไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านจึงจะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขมีกลาลณมิตรเหมือนกับที่ผู้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้วิจัยเอาไว้สุดท้ายฝากครูบาอาจารย์ว่าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นต้องให้นิสิตเป็นผู้ช่วยตัวเองให้มากตรมเหฮิกิจจังอาตปังอาขาตาโรตถาคตา นิสิต ท, ทั้งหลายก็เหมือนที่พระเจ้าบอกกระชาบคุณต้องทำงานเองศึกษาเองพระตะถาคตเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้ทางภาษิตจีนเขาบอกถ้าท่านให้ปลาแก่คนจนเขาจะมีปลากินเพียงวันเดียวแต่ถ้าสอนวิธีจับปลาให้เขาเขาจะมีปลากินตลอดชีวิตสอน ให้ความรู้เป็นแท่งๆเรียนจบแล้วลืมแล้วแต่สอนวิธีหาความรู้สอนวิธีคิดวิธีวิเคราะห์รีเสิร์ชเมทาดโลจีและเบียบวิธีวิจัยเขาจะหาความรู้ปัญญาได้ตลอดชีวิตเรียนได้ตลอดชีวิตซับนี้มีไกลใครปัญญาไวหาได้บ่อนาน ทั่วแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดเกียจคร้รานบ่อผ่านพบเลยสุดท้ายหมดเวลาปัญญาในระดับปัญญาตรีเน้นเรื่องข้อมูลข่าวสารสุตตะมยัปัญญาท่านจะต้องอ่านให้มากฟังให้มากและประมวลสรุปแต่ต้องฟังคนอื่นอ่านเพิ่งครูบาจาาย พอปริญญาโทท่านคือต้องคิดเองเป็นส่วนใหญ่สรุปวิเคราะห์เป็นบทสรุปในงานวิจัยหามาด้วยตนเองสุดท้ายปริญญาเอกทดลองสิ่งที่ท่านทำเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการไปทำออกมานั่นก็คือบทบาทของครูบาอาจารย์ในระดับปริญญามันลดลงไป 50% อร์เซนจากมัธยม ให้พวกเราช่วยตัวเองพึ่งตัวเองศึกษาด้วยตัวเองคิดด้วยตัวเองอาจารย์ให้ทำงานทางานส่งก็ต้องทำให้ฝึกก็ต้องฝึกให้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติและเขออาอม่มาจาจี้จำชัยเพราะถือว่าเราเป็นผู้ใหญ่พอมาอยู่ในระดับนี้ในชั้นนี้ทำด้วยตัวเองมันจึงเป็นปริญญาเป็นการศึกษาที่ตมเหหิกิดจังอาปัง ท่านทั้งหลายต้องลงมือทําเองส่วนอาจารย์ก็อย่าไปแจกอย่างเดียวฝึกให้เขาคิดเป็นฝึกให้เขาช่วยตัวเองแบ่บอกข้อมูลให้เขาให้ความรู้เรื่องเครื่องมือเรื่องภาษาเรื่องคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์ให้เรียนจริงๆไม่ใช่มีแต่โครงข้างในกลวงเรียนจริงแล้วในที่สุดอย่าเรียนเอาตัวรอดคนเดียวเรียน ก็ทั้งทํากิจกรรมร่วมกันเพราะในที่สุดแล้วชีวิตมันอยู่ที่ไกลนามิตทนปรับที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมยังมีความสุขและท่านไม่ต้องไปรอที่ไหนจากมหาจุฬาที่นี่นั่นแหละเป็นสังคมที่จะให้ความเป็นไกลนามิทแก่พวกเราเพราะฉะนั้นก็หวังว่ามาอยู่ร่วมกันที่นี่ท่านจะได้ประโยชน์จาก โอกาสเวลาเงินทองที่ท่านมาลงมหาจุลาก็จะไม่ลงทุนศูญเปล่าปีหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่เพื่อหวังให้พวกเราได้สำเร็จสำหรับเด็กๆสมเด็เจพ่อแม่หวังพึ่งผาเจ้าครูเล่าหวังให้สร้างชื่อชาติศาสหวังกำลังฝึกปลือ เจ้าคือความหวังทั้งปวงเขาฝากเป็นคำเชิญชวนให้ศึกษาเราเรียนเพื่อความสำเร็จร่วมกันทั้งในฝ่ายผู้สอนผู้เรียนและมหาวิทยาลัยด้วยข้อคิดความเห็นจต่เพลงเท่านี้ในโอกาสนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาท ธ, ธรรมทาน จงมารวมกันเป็นตาบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้นิสิตนักศึกษานักเรียนทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จในการศึกษาเ ร, าเรียนในการดำรงชีวิตโดยปราศ จ, จากทุกโศกโรคภัยุปวัตทรายทั้งปวงถึงซึ่งความเจริญด้วยอายุวัรณนะสุขพะพละ ปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปราถนานั้นนนั้จงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จสม โ, มโนรถมุ่มา่ปราถนาทุกประการเถอด